ขอรอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยพระกาสพระจรย์ไพศาลพระเทระนุเถระเพื่อนสนับมิชูทุกท่านเจริญธรรมแม่ชีและญาติรรมทุกท่านนั่งสบายๆนะเมื่อกี้เราก็ได้สวดบทนะพุทธคุณห0 0ร้อยบทนะซึ่งเป็นบทที่ กล่าวถึงพระคุณของพระเจ้ามีมากมายแต่ถ้าประมวลให้สั้นลงก็จะแยกได้เป็นสารประการคือพร ะ, อะบริสุทธิคุณพระปัญญาที่คุณแล ะ, ะพระมหากรุณาธิคุณเนาะพระเจ้าได้ทรงบรรลุเป็นพระรหัส น, น่ะเพรา ะ, ะนั้นจึงยังความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นในใจของท่าน ความบริสุทธิ์ในใจของท่านนั้นเกิดจากการที่ท่านสะสมปัญญามามากมายนะตั้งแต่อดีตการนะจนกระทั่งนะไปศึกษาในสถานที่ต่างๆจนทั่ ง, ง, งบำเพ็ญเพียรโดยพระองค์เองก็เกิดปัญญาขึ้นมานะนำความบริสุทธิ์มาสู่พระพระทุทธองค์จนได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนั่นเองก็ได้ทรงนำธรรมะที่ได้ทรงบรรลุถึงแล้วมาเผยแผ่แก่มวลมนุษยชาติจนถึงพวกเรานี่ก็คื อ, อพระคุณของพระเจ้าที่เราได้สวดมาทั้งหมดราวนี้นถ้าเรานำธรรมะของพระเจ้ามาศึกษาแล้วก็จะพบว่ามีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนนะบางทีเรา มีพระตไตรปิฎกเป็นตู้ๆเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนไปจบที่ตรงไหนแต่ถ้าเราสามารถที่จะย่อขยายอนําลงไม้สรุปให้เหลือสั้นลงก็จะง่ายขึ้นนะก็คือธรรมะทั้งหมดนั้นก็รวมอยู่ที่ว่าให้เราเห็นความทุกข์รู้จักกับความทุกข์และการดับซึ่งทุกนั้นนะสองปัญญานั้นก็คื อ, คอให้เห็นทุกข์และการดับทุกนี่ก็จะสั้นและง่ายนะ ครา้นี้เนี่ยเราประการแรกเนี่ยเราเห็นทุกไหมนะการเห็นทุกนี่สําคัญมากนะแต่อัตมาก็คิดอย่างหนึ่งว่าท่านที่มานี้ก็ส่วนใหญ่คงจะเห็นทุกแล้วแหละเพราะว่าเมื่อก่อนก็เคยไปชวนคนให้มาปฏิบัติธรรมกันมาปฏิบัติธรรมเถิดนะหลายหลาคนแต่ปรากฏว่าเขาก็ถามว่าปฏิบัติไปทําไมก็บอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วทุกก็จะน้อยลงเขาบอกว่าเขาก็ไม่เห็นจะมีทุกอะไรเลย เพนั้นเขาก็จิงไม่มาปฏิบัติธรรมกันนะจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ก็คิดเช่นนี้ว่ามันไม่เห็นมันจะมีความทุกข์อะไรเลยนะเราก็อสุขสบายดีแล้วมีกินมีใช้มีเที่ยวทุกอย่างมีความสุขหมแล้วมันจะมีทุกข์ได้อย่างไรนะอันนี้เป็นคนที่น่าสงสารนะจัดว่าเป็นคนที่น่าสงสารในสังสารวัฏเลยอันนี้ก็เรียกว่าใช้ชีวิตไม่ต่างกับสัตว์ตัวหนึ่งนะสัตว์ตัวหนึ่งมันก็อย่างเนี้ย มีชีวิตในการอ่าสืบพันธุ์ไปกินไปอยู่ไปวันๆหนึ่งแล้วมันก็ตายไปตามสัชาติสัญญาณนะถ้ามนุษย์ไม่เห็นทุกข์มันก็เหมืนกับสัตว์ตัวหนึ่งนั่นแหละมีการสืบพันธุ์มีการกินมีการอยู่ไปวันๆหนึ่งแล้วก็ตายไปเช่นนั้นอันนี้ก็เรียกว่าสงหน้าสงสารนะเพราะว่าไม่ได้ต่างจากสัตว์ตัวหนึ่งนะแต่ความเป็นมนุษย์นี่เขาเรียกว่าต้องมีสติมีปัญญาไม่ต้องตายอย่างสัตว์นะ ถ้าเป็นสัตว์เขาก็เรียกว่าเราก็นั่งสารเขาอยู่แล้วนะเขาไม่มีสติปัญญาในตกนั้นหรอกแต่ความเป็นมนุษย์นี่ต้องมีสติมีปัญญาเนี่ยมันจึงจะต่างจากสัตว์นะคราวนี้สติปัญญาของมนุษย์เนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาจนเป็นผู้ที่พ้นจากความทุกข์ได้นั่นเองนะก็จึงเรียกว่าความเป็นมนุษย์นะแต่สัตว์นี้เขาเขาพ้นทุกข์ไม่ได้นะอในสมัยพุทธกาลนี่สัตว์นี่เขาดิน้นหลนนะดิน้นหลนมาก อย่างอย่างการบวชนี่แหละเราเวลาไปบวชเนี่ยอาจจะมีพระถามอันตรายยิ่งกระทำบอกว่ามนุษย์โซสซิเป็นมนุษย์หรืออหน้าก็ต้องตอบว่าอามะพันเตอเป็นมนุษย์เพราะอะไร ท, ท, ทั้งที่ต่อหน้าพระที่ถามก็เป็นมนุษย์อยู่แล้วทํำไมต้องถามว่าเป็นมนุษย์เพราะอะไรเพราะในสมัยนั้นก็มีมีพญายนาคนี่นแหละอยากจะบวช แต่ว่าตอนนั้นก็บวชแอบบวชเข้ามาแล้วแล้วนอนก็เผลอสติไปก็กลายร่างเป็นพญายนาคครานี้พระที่ไปเห็นก็ไปโจทย์ขานกันว่าพญายนาคเนี่ยฟอมมาบวชเพราะนั้นพร ะ, พระเจ้าก็เลยตั้งกฎเกณฑ์ไว้ต้องถามก่อนพระเป็นมนุษย์หรือเปล่าเพราะว่าพญายนาคหรือนากเนี่ยคือตัดเดชานทุกชนิดในบวชไม่ได้หรอกเพราะว่าบวชแล้วก็ไม่ไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรม ทําอย่างไรก็ไม่บรรลุธรรมนะก็เลยไม่ให้สัตว์เดฉานในบวชนะก็มีเฉพาะมนุษย์เนี่ยที่บวชได้เพราะฉะนั้นมนุษย์นี่แหละจึงต้องตายจากสัตว์เดชานนันในการที่ว่าเราจะทําอย่างไรนะอ่จึงจะพ้นจากความทุกข์ได้เป็นพระรยาเจ้าได้นะจึงว่าเออจริงๆแล้วถ้าคนเราไม่เห็นทุกข์นั้นมันจึงไม่ตายจากสัตว์เดฉานเลยเพราะสัตว์เดฉานก็ไม่ได้ลนที่จะหาทางพ้นทุกข์นะ ครั้งนะี้มนุษย์นะเห็นเห็นทุกข์ไหมประการแรกนะความทุกข์ก็มีอยู่สองประการก็คือความทุกข์กายและความทุกข์ใจความทุกข์กายนี้นะจริงๆนี้นะ่เป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายมากเลยนะอแต่คนนี่มองมองพยายามมองผ่านกันนะก็คือหลบเลี่ยงหลบเลี่ยงถ้าทุกอย่างเลยนะทุกนิดเดียวไม่ยอมนะต้องไปหาทางที่จะอ่าเรียกว่าไปสนองกิเลสโดยการไม่เห็นทุกข์มัน นะครนนั้นะี้เนี่ยทุกนะประจําสังขารเราก็มีอยู่นะอ่ะก็คือเมื่อเราเกิดมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เป็นสิ่งที่หลบหนี้ไม่พ้นแน่นอนนะเราไม่มีใครหนีพ้นหรอกอเกิดมาแล้วเราต้องแก่แน่นอนนะอะถ้าเราไม่แก่นี่เราก็จะเป็นเด็กเล็กๆอยู่นะอะความเจ็บนี่ก็ต้องมีแน่นอนนะไม่งั้นจะมีลมพยาบาลมากมายทําไมะความตายนี่ก็หนีไม่พ้นแน่นอนนะ แล้อีกอย่างความตายก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ด้วยอันนี้ประมาทไม่ได้เลยนะเมื่าเราเออตอนนี้ยังหนุ่มสาวอยู่ยังแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้ไขเจ็บแต่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นความไม่แน่ไม่นอนในชีวิตนะพระเจ้าก็เลยตัดไว้ในปัจฉิมโอวาสบอกว่ามาดูความพิสูจทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนระเบียบท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่นะก็คือเราอย่าไปประมาทนะว่าเราจะมีชีวิตยืนยาวไปสักเท่าไหร่ นะการที่มีชีวิตดืนยาวหรือไม่ยืนยาวในี่พระองค์ได้ทรงชี้ไปในหลายๆกรณีนะอนะเช่นถามพระอานนท์บอกว่าดูกระละอานอันท์เธอร ะ, ะลึกถึงความตายวลัละกี่ครั้งวัละเจ็ดครั้งพระเจ้าค่ายังน้อยไปตถาคตระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกนะอันนี้แสดงว่าขนาดพระเจ้าก็ยังระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเลยนะ แล้วพวกเรานี่เราลึกถึงวันละกี่ครั้งมันก็เป็นสิ่งที่ว่าเราประมาทไปไหมนะอันนี้มันต้องเป็นสิ่งที่ว่าเราต้องเห็นว่าความตายมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมนี้เท่านั้นเองะถ้าเราต้องตายภายในเจ็ดวันเราจะรู้สึกว่ามันมันต้องมีอะไรทําสักอย่างหนึ่งนะอ่ามันต้องมีอะไรทําสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรา ไม่รู้ว่าเราต้องตายภายในเจ็ดวันเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะเพราะฉะนั้นถ้าจริงๆแล้วคนที่โชคดีนะต้องรู้ว่าเออเราตายภายในกี่วันหรือกี่เดือนกี่ปีอันนี้เป็นคนโชคดีเพราะเขารู้ว่าต้องมีอะไรทํานะเขาจึงไม่ประมาทนะแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องตายในกี่วันแล้วอยู่ดีเราตายปับ๊บโอ้เราเห็นไม่ว่าเราขาดสิ่งเราต้องทําไปแล้วเยอะแยะนะเนี่ยก็เรียกว่าเราประมาทไม่ได้นะอะเพราะนั้นใครที่ไม่ประมาทก็คือ ให้ระลึกถึงความตายอยู่เสมอแล้วเราก็ไม่ประมาทเราก็มันทําในสิ่งเราควรทํานั่นแหละสิ่งควรทําก็คืออะไรก็คื อ, อให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นหลักน ะ, ะหรือไตสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ก็คือหนทางแห่งการพ้นทุก์นั่นเองนะเป็นสิ่งเราต้องควรทำนะคราวนี้หลังจากความทุกข์ที่ในประจำสังขารแล้วก็มีความทุกข์จอหมาอีกต่างหากในทางกายนี่แหละ นะบางท่านตอนนี้ก็เริ่มปวดเมื่อยแล้วอเริ่มง่วงนอนแล้วเริ่มหิวแล้วเห็นไหมนะเป็นความทุกข์ที่จรมานะอเราเดี๋ยวเราปวดเมื่อยเราก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริบบทนะมันก็เปลี่ยนปุ๊บอ่านะจากนั่งเดี๋ยวก็ไปเป็นเดินอ่านะเดี๋ยวเดินก็ต้องกลับมานั่งใหม่อันนี้เขาเรียกว่าเราแก้แก้ทุกข์ชั่วคราวเท่านั้นเองนะเป็นการเปลี่ยนเพื่อแก้ทุกข์ไม่ได้เพื่อพ้นทุกข์นะเป็นการบรรเทาทุกข์นะหรือเราหิวเราก็เดี๋ยวก็ไปทานอาหาร อีกสักสามสีม่โมก็หิวใหม่ไหนมานี่เป็นการแค่บรรเทาทุกข์ไม่ใช่พ้นทุกข์นะแก้ทุกข์ชั่วคราวเท่านั้นเองนะเราง่วงเราไปนอนตื่นขึ้นมาอีกครู่ใหญ่ๆเดี๋ยวก็ง่วงต่อนะอันนี้มันก็เหมือนกันนะเป็นการบรรเทาทุกข์เป็นการแก้ทุกข์ไม่ใช่การพ้นทุกข์นะเพราะนั้นความทุกข์ในทางกายนี่มันแก้ถาวรไม่ได้นะมันก็แค่บรรเทาชั่วคราวเท่านั้นเอง เพราะเราก็อยู่ไปกับความทุกข์ทางกายนี่แหละสำคัญเราเห็นเขาไหมนะส่วนในประการนี้ก็คือความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจนี้นะนะมันมีความทุกขนะ์น่ะมากกว่าทางกายอีกนะนะคนที่ไปฆ่าตัวตายส่วนใหญ่นั้นเกิดจากความทุกข์ทางใจนี่แหละเป็นสำคัญนะความทุกขนะ์น่ะมันบีบรัดนะ่ะมันออกจากอารมณ์ไม่ได้ออกจากความคิดไม่ได้นะ ติดอารมณ์นะมันก็เลยไปฆ่าตัวตายกันนะเพราะเหตุ น, นี้นะจริงๆแล้วใครที่ติดอารมณ์คนนั้นก็ทุกข์แล้วนะคนเข้ามาด่าเราเขาด่าเราคําพูดเขาผ่านไปแล้วนะผ่านไปเลยคนด่าก็มีความสุขโอ้ไปร้องเพลงไปนั่งดูหนังฟังเพลงสบายแต่เราที่โดนดา่าเราก็มานั่งคิดเออดา่าเราวนอยู่ในความคิดนะนะั่นน่ะวนทั้งวันทั้งคืนนี่เราทุกข์แล้วนะอันนี้เราโง่หรือฉลาดกันแน่นะคนด่าเราก็ไม่ทุกข์แต่เรากลับมามีความทุกข์ อันนี้ก็เกิดจากการที่เราไปวนในความคิดนั่นเองนะวนในความคิดก็ติดในความคิดอนะ่เกิดความอาฆาตเกิดความพยาบาทอนะ่บางทีต้องตามล้านแค้นแล้วจึงจะหายแค้นนะี่อันนี้มันเป็นความโง่ชัดๆเลยนะ อ, อความทุกข์มันเกิดจากเราโง่เองนะเพราะฉะนั้นในสมัยหนึ่งหลวงพ่ชาท่านก็เคยเทศไว้บ้าพระพุทธเจ้าอฆนะ่ากิเลสได้แล้วนะหลวงพ่ชาบอกว่ า, วาจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้ฆ่ากิเลสหรอก ถ้าฆ่ากิเลสได้นะตอนนี้ก็ไม่มีใครมีกิเลสแล้วะแต่พผู้เจ้าเห็นว่ากิเลสมันไม่ดีท่านก็ท่านก็เขี่ยออกไปนะเขี่ยไปส่วนคนโง่ก็ไปรับกิเลสเข้ามานะก็คืออความทุกข์ทั้งหลายมันไม่ดีทั้งหลายแหละท่านก็เขี่ยมันออกไปส่วนคนที่ไม่ฉลาดก็ไปรับความทุกข์เหล่านั้นเข้ามาความทุกข์เหล่านั้นก็คืออารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละไปรับเข้ามาเองนะแล้วก็ปล่อยให้อยู่ในใจเราไม่รู้จักเขีย่ยไปนะอ่า คนเราสมมาก็เป็นแบบนี้นะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไปรับเข้ามาไม่รู้จะเขี่ยไปมันก็เลยมีความทุกข์มากอารมณ์ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกันนะเข้ามาเราก็แทนที่จะเขี่ยไปแล้วก็ไปรับเอาไว้นะเข้ามาด่าเราแทนที่เราจะรู้เท่าทันแล้วเราก็เฉยๆไปไม่ให้คาดในคำด่าเหล่านั้นมันก็จบไปแต่เราไปวนคิดด่าเราเขาว่าเราเขานินทาเราเขามาทาอะไรกับเรามากมาย อันนี้เขาเรียกว่าเราไม่รู้จะเขี่ยไปแต่เราไปรับเข้ามาเราก็เป็นทุกข์ตัเองเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นทางคนทุกข์เราก็ลืงจึงไปรับทุกข์นะแต่จริ ง, รงๆเราเราแค่เขี่ยไปมันก็พ้นจากความทุกข์แล้วนะก็เขี่ยก็ไปจากใจนี่แหละง่ายๆนะเพราะฉะนั้นความที่เรามีความทุกข์ในทางใจเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้คนฆ่าตัวตายได้แล้วก็เป็นทุกข์ที่อ่ทําให้คนกินไม่ได้นอนไม่หลับ อกหักไม่โอ้โหมันวันวันมันทรมานมากเลยนะการอกหักนี่มันทรมานมากนะมันมันไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งวันเหมือนกินข้าวไม่ลงอะไรทั้งวันอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสงสารอันนี้ก็เป็นความทุกข์ทางใจเป็นอย่างยิ่งนะหรือคนที่เรารักพัดภาคจากไปเราก็มีความทุกข์ทางใจมากมายคิดสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเราก็มีความทุกข์ทางใจ แต่พระเจ้าก็ได้สรุปสั้นๆว่าว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ห้านี่แหละเป็นตัวทุกข์นะก็คืออุปทานขันธ์ห้าก็คือกายและใจนี่แหละเป็นตัวทุกข์ทิฏฐ์จริงนะครั้นนี้นะ่ยความทุกข์ทางใจนี่แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่มันใหญ่โตแต่จริงๆแล้วมันสามารถที่จะดับได้สนิทนะ ค, คือสามารถที่จะกําจัดความทุกข์ทางใจได้อย่างถาวร น, นะมันไม่ใช่ว่าไม่เหมือนความทุกข์ทางกายนะความทุกข์ทางกายแค่บรรเทา แต่ความทุกข์ทางใจนี้สามารถทําให้หมดไปได้หรือว่าพ้นทุกได้นะการ พ, พ้นทุกได้นะก็คือเช่นมาลาหานเวงต้นผ่ <c oughs> านท่านอสามารถที่จะอพ้นทุกทางใจได้แล้ว <c oughs> แต่ความทุกข์ทางกายท่านก็มีอยู่นะท่านก็ไม่เป็นไรอความทุกข์ทางกายเป็นเรื่องสังขารแต่ใจอยู่ท่านเนี้ไม่ทุกแล้วนะอันนี้ก็คือความทุกข์ต่างๆเนี่ยหมดไปจากใจของท่านแล้วนะ เพราะงั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมกันจริงๆแล้วเราไม่ได้แก้ความทุกข์ทางกายแต่เราแก้ความทุกข์ทางใจนั่นแหละนะพะเมื่อแก้ความทุกข์ทางใจได้แล้วความทุกข์ทางกายก็จะเบาลงนะและข้อสําคัญนะมันก็เป็นการที่เรียกว่าเราพ้นทุกอย่างแท้จริงเพราะว่าศาสตร์ใดที่เรามีความทุกข์ทางใจหรือมีกิเลสอยู่เราก็ต้องไปเวียนว่ายในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดนะต่อไปเกิดในภพภูมิทั้งสามเอด่าเป็นอ่าสัตว์เดี้ยงชานบ้างเป็นสุกายสัตว์นรก เป็นมนุษยนะ์หรือเป็นเทวดาเป็นพรหมนี่แหละมยนเวียนไวยตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าใจเรามีกิเลสอยู่นะเหมือนกับว่าต้นไม้ที่เราเห็นใหญ่ๆโตๆนี่แหละบางต้นสูงถึงสาสิบเมตรแต่ก็เกิดจากเมล็ดพันธุ์เล็กนิดเดียวนะแต่มีเชื้ออยู่ตกไปในพื้นดินก็สามารถเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ฉันใด <c oughs> จิตของเราที่มีกิเลสอยู่แม้เพียงเล็กน้อยเราก็ต้องไป เวียนวายตายเกิดะในการที่จะก่อภพคูมิะก่อชาติก่อภพไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะกิเลสในใจเรายังมีอยู่ตามนั้นเพราะฉะนั้นที่พุทธเจ้าเนี่ย <c oughs> ได้ทรงมีพระมหากรุณานที่คุณกับพวกเราก็เพราะว่าท่านต้องการให้ดับความทุกข์ทางใจอย่างแท้จริงนะตอนนี้ทุกเราพวกเราทุกคนนี้ป่วยนะป่วยทุกๆคนเลยไม่มีใครไม่ป่วย ป่วยอะไรป่วยเพราะว่าเราเนี่ยป่วยทางจิตใจนะจิตใจที่มีกเกลรดเนี่ยเราชื่อว่าเป็นคนป่วยทุกคนนะอเป็นคนป่วยเราหมอเราก็มีอยู่นะหมอหมอเนี่ยมีอยู่หมอให้ยามาแล้วอยู่ที่เราจะารับประทานยานั้นไหมถ้าเรารับประทานยานั้นเราก็หายป่วยถ้าเราไม่รับประทานยานเราก็ไม่หายป่วยแล้วก็ต้องเจ็บไข้อ่าตลอดชาติไปไม่มีที่สิ้นสุดนั้นะหมอก็คือพระเจ้านั่นเองนะ ยาก็คือธรรมะที่พระเจ้าให้เรามาแล้วเรานี่แหละคือผู้ป่วยนะเมื่อท่านให้ยาเรามาแล้วะแล้วเราจะนํายานั้นมารับประทานไหมนะนี่เป็นประการที่สําคัญเลยนะครนี้ยาที่พระพุทธเจ้าให้มาเนี่ยคือธรรมะนี่แหละครนี้ธรรมะเนี่ยอย่างที่ว่าแล้วมันมีอยู่เยอะแยะแล้วเราจะนําสิ่งใดมาอมามารับประทานกันนะครานี้เราก็มาแยกดูอ่ะสิ่งที่เรียกว่าเป็น กิเลสในตัวเรานี่มีอะไรบ้างนะกิเลสหลักๆในตัวเราก็มีความโลภความโกรธความหลงความโลภก็คือราคะนะเกนก็คือราคะโทสะโมหะนะราคะนัก็คือความยินดีความพอใจความอยากได้ความติดอกติดใจความทยานอยากอันนี้ก็คือในกลุ่มที่มีความยินดีเป็นหลักนะ เป็นกลุ่มที่มีลูกมีหลานในความยินดีความอยากได้ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มราคะทั้งหมดเลยอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มโทสะกลุ่มโทสะก็คือความที่เราไม่พอใจต่างๆหรือเป็นความยินร้ายทั้งหมดเลยความโกรธความที่เป็นปฏิฆะความหงุดหงิดความไม่พอใจความหึงหวงความอิจฉาริษยาความน้อยใจความเสียใจความเหงาความเครียดต่างๆ ที่เป็นความไม่พอใจทั้งหลายหรือกลุ่มยิทรานทั้งหลายก็เป็นกลุ่มของโทสะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มโมหะก็คือความไม่รู้นะโมหะก็คือความไม่รู้ไม่รู้ในอะไรไม่รู้ว่าในปัจจุบันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะไม่รู้ทางกายเรานั่งอยู่เราไม่รู้ว่าเรากำลังนั่งนะยืนอยู่ไม่รู้กำลังยืนเดินไม่รู้กำลังเดินเป็นต้นนะไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรนะ ไม่รู้ว่าขณะนี้กาลังมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในใจของเราต่างๆนะเรารู้ไม่ทันอารมณ์ที่เกิดในใจของเราอันนี้ก็เลยเป็นความหลงนะครนี้เนะี่ยหัวหน้าใหญ่ของสามประการนี้คืออะไรก็คือความหลงนั่นเองนะความหลงหรือความไม่รู้นี่แหละเ้าเรียกว่าเมื่อเราหลงเราก็เลยไหลนะหลง ะเมื่อเราหลงเราไม่รู้ว่าขณะนี้เรากำลังมีความโกโรธเราก็เลยไหลเข้าไปในความโกโรธนะเราไม่รู้ว่าขณะนี้อเรากําลังหลงไปยินดีพอใจเราก็เลยไหลไปในความยินดีความพอใจเพราะว่าเราไม่รู้ว่าขณะนี้เรากําลังหล ง, ลงนะเพราะฉะนั้นความหลงนี้จึงเป็นหัวหน้าใหญ่อนะเป็นหัวหน้าใหญ่เมื่อเราหลงแล้วมันก็เลยเกิดความโกรธความรักความชังตามมาอีกมากมายนะนะความหลงนี้เป็นโมหะตัวใหญ่เลยนะมันจะทําให้เรา ไปทำเสียงต่างที่ไม่ถูกต้องอีกมากมายนะการเราทำไม่ถูกต้องต่างๆหรือทำบาปทำกรรมทั้งปวงในทางกายในทางใจในอกกุศลกรรมบุทั้งสิบก็เพราะเรามีความหลงนั่นเองเพราะนั้นหัวหน้าใหญ่ก็คือความหลงหรือความไม่รู้เพราะในการที่เราจะพ้นทุกข์ได้ก็คือเราก็ต้องมาแก้ความหลงไปให้หมดไปหรือให้เขาน้อยที่สุด สิ่งที่จะมาแก้ความหลงคืออะไรสิ่งมาแก้ความหลงก็คือความรู้นั่นเองนะความที่เรารู้นั่นแหละมันก็ไม่หลงนะเพราะฉะนั้นเมื่อตาบใดที่เราหลงเราก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้มันก็ไม่หลงนี่แหละเป็นสิ่งที่แก้กันคราวนี้เราจะไปรู้รู้ในอะไรนะการรู้เนี่ยที่เป็นไปแก้ความหลงเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นสติปฐานสี่นะสติปฐานสี่นั่นเองนะสติปฐานสี่ก็คือรู้ในอะไรบ้าง อรู้ในกายนะก็คือให้รู้รู้กายในกายกายในกายขณะนี้รู้ในกายในรู้อย่างไระก็รู้ในออิริบทตรบัพพระเป็นตัวแรกนะรู้ว่าขณะนี้ยืนเดินนั่งนอนรู้ว่าอ่นั่งก็รู้ว่าเรานั่งะยืนก็รู้เรายืนนอนก็รู้ว่าเรานอนะยืนเดินนั่งนอนให้รู้ชัดในอาการเหล่านั้น ครั้งหนึ่งพระามก็เคยถามพระพุทธเจ้าว่าเออท่านร่วงพุททุกได้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเรายืนเดินนั่งนอนพระามณ์ก็เลยหัวเราะเยาะบอกว่าชาวบ้านเขาก็ยืนเดินนั่งนอนเหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เหมือนกันเรายืนก็รู้ชัดว่าเรายืนะเราเดินก็รู้ชัดเราเดินเรานั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเรานอนก็รู้ชัดว่าเรานอนอันนี้พราามก็เลยยอมรับว่าเออชาวบ้านเขาไม่รู้เช่นนั้นนะ เพราะว่าการยืนเดินนั่งนอนนี้ถ้าคนไม่รู้ก็ชื่อว่าเราหลงไปแล้วน ะ, ะเพราะนั้นในประกาศแรกนี้เราก็รู้ในบทใหญ่คือยืนเดินนั่งนอนก็ให้รู้ชัดว่าขณะนั้นเรากำลังทำอะไร <c oughs> ต่อไปก็คือสามัญญาปัฏภะก็คือการรู้ในบทย่อยทั้งหลายในการเดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังในการเหลียวซ้ายแลยขวา <c oughs> ในการเหยียดเอวีว ะ, ะคู่เอวีวะ เหยียดวายวะออกคู่อไอว้ววะเข้านะเช่นการเหยียดแขนคู่แขนเป็นต้ น, นในการดื่มลิ้มกินเคี้ยวนในการถ่ายอุจจาระปัสสาว ะ, ะในการทรงสังคาติจีบอลทั้งหลายแหละก็คืออิบทย่อยทั้งหลายนั่นเองที่เราไม่ใช่อิบทใหญ่น ะ, น ะ, นะเราก้มเราเงยเราเลียวซ้ายหลายขวาเดินหน้าถอยหลังอุจจาระปัสสาวะต่างๆเ่านี่แนะ ให้เรารู้ไปในบทย่อยทั้งหลายแล่เหล่านี้นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกายนะข้อกายกายานุปัสนาสติปฐานนะให้เรารู้ไปในตรงนี้นะตรงนี้ก็คือจุดที่เรามาฝึกกันนั่นเองนะตามหลักนะของที่นี่ก็คือมาฝึกในข้อกายเนี่ยเป็นหลักนะต่อมาก็คือเวทนาในเวทนาแล้วนะก็ให้รู้ในเวทนาต่างๆเหล่านั้นนะเวทนามีอะไรบ้างก็คือมีสุขเวทนา ทุกเวทนาอาทุกขมสุกเวทนาก็คื อ, อความพอใจความไม่พอใจหรือเฉยๆก็ให้รู้เท่าทันในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นต่อมาก็เป็นจิตตานุปัสสนะสติปัฏฐานก็เป็นการตามรู้จิตนั่นเองน ะ, ะ <compiled> จิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะ จิตตั้งมั่นก็รู้จิตตั้งมัน่นจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้จิตไม่ตั้งมัน่นรู้ตามจิตไปจิตมีอาการอย่างไรก็รู้ตามต่อมาก็ทำมาอนุปัสนาสติปฐานก็คือรู้ในธรรมทั้งปวงนั่นเองนะก็เช่นอัลนละิอัสสัต์สี่นิวรณ์ห้าอายตนะหกต่างๆเหล่านี้ <c oughs> ให้รู้ไปนะตามที่เขาเป็น โดยให้เห็นสภาวะความที่เข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสภาวธรรมทั้งหลายอันนี้ก็เป็นการที่เราเห็นในสติปัฏฐานทั้งสี่เมื่อเห็นในสติปัฏฐานทั้งสี่แล้วท่านก็ว่าสิ่งเหล่านี้นะก็มีอาตาปีสัมบชาโนสติมาวิเนยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังก็คือมีความเพียรเครื่องเผากิเล็มีสัมมิชนยะมีสติ ละความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ออกเสียได้เมื่อเรามีสติมีสมัชชัญญาและมีความเพียรแล้วเนี่ยเราก็จะละความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ออกเสียได้นี่เป็นการถ่ายถอนนะถ่ายถอนจากความพอใจและความไม่พอใจทั้งหลายนั่นเองนะเมื่อเราถ่ายถอนสิ่งเหล่านี้ออกได้แล้วเนี่ยเราก็จะออกจากความทุกข์ได้นะเพราะอย่างที่ว่าแล้วก็คือราคะก็คือความพอใจโทสะคือความไม่พอใจ เนี่ยเมื่อเราถ่ายถอนกิเลสหลักๆ2ตัวนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะพ้นจากความทุกข์ได้นะไม่กิเลส ห, หลักๆจริงๆอยู่ก็มี3ตัวนี้แหละนะก็คือความโลภความโกรธความหลงเมื่อเราไม่หลงเสร็จมันก็จะถ่ายถอนจากนะราคะหรือความโกรธและโทสะได้นั่นเองนะมันก็จะพ้นออกมาจากตรงเนี้ได้โดยอาศัยอาตาปีคือความเพียรและอาศัยสติและสามัญญะในการเป็นเครื่องมือในการถ่ายถอนออกมานะเพราะฉะนั้นเราก็มาปฏิบัติ ในการที่ว่าเราจะมาฝึกกายและใจนะีให้รู้เท่าทันกิหลสทั้งหลายเหล่านี้นะีที่จะรู้เท่าทันในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่จะนําความทุกข์มาให้กับเรานะโดยเพราะที่เรามาฝึกในวิธีการหลงมืเทียงก็คือให้มนะีตัวความรู้อยู่ในการเคลื่อนไหวนี้เป็นหลักนะในบททั้ง4ี่ยืนเดินนั่งนอนนะในบทย่อยเช่นคู่การเหยียดแขนเป็นต้นนะเพราะฉะนั้ น, นนี้จะได้ตัดความสงสัยว่าเออทำไมเราจะต้องมายกมือสร้างจังหวะกัน นะเพราะการสร้างจังหวะก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งในการที่จะถอดถอนอและก็ในในการที่เราะจะมีสัมพัญธ์ยะมีสติเกิดขึ้นนะโดยการยกมือสร้างจังหวะต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ผิดเลยเพราะเป็นการคู่แขนเหยียดแขนเป็น อ, อีบทย่อยอับการหนึ่งนะแต่เป็นสิ่งเราต้องตั้งใจทำขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปมาทำสิ่งเหล่านี้ก็ได้ถ้าหากว่าเรารู้ต่อเนื่องกันทั้งวันได้เองนะ เราอาจจะกวาดบ้านนะแต่การกวาดบ้านนั้นกวาดไปสักสิบนาทีเราก็จะหยุดแล้วมันก็เลยไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่รู้จะทาอะไรต่อนะหรือเราจะซักผ้าก็ได้ก็รู้ตัวไปได้ด้วยแต่ซักผ้าก็คงไม่เกินสิบห้านาทีแล้วก็หยุดก็เลยไม่รู้จะทําอะไรต่อนะแต่การเจริญสติที่จะให้ผลก็คือต้องทําต่อเนื่องกันนะการทําต่อเนื่องกันแล้วจิตก็จะเกิดความรู้เท่าทันในอิบทต่างๆได้เองนะก็คือให้ มีการยอมรับเกิดขึ้นในใจของเราที่จะเข้าไปรับรู้ในการเคลื่อนไหวเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เคลื่อนไหวมาตลอดชีวิตแล้วเราก็เดินมาตลอดชีวิตนั่งนอนมาตลอดชีวิตแล้วแต่เราไม่ได้เข้าไปรับรู้ในตรงนั้นนะเราเคยทําต่างๆเคลื่อนไหวมาเยอะแยะแปรงฟันอาบน้าล้างหน้าซักผ้ากวาดบ้านเราเคยทํามาแล้วแต่ไปไงทําแล้วใจรับรู้ไหมนะ เรากาลังกวาดบ้านใจก็คิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตไม่ได้อยู่กับปัจจุบันว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่นะซักผ้าก็เหมือนกันซักไปก็คิดไปอย่างเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่รู้กําลังทําอะไรอยู่เดินก็เหมือนกันเราเดินมาตลอดชีวิตแล้วแต่เดินนี่แหละเดินในความคิดตลอดเลยไม่รู้ว่าขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่อันนี้เขาเรียกว่าเราหลงไปนะแต่ถ้าหากว่าเราทําสิ่งใดก็แล้วแต่นะเช่นเรากําลังซักผ้าเรากลับมารู้ในขณะนี้กำลังซักรู้ในปัจจุบันนี่แหละขณะนี้คือนี่กำลังซัก นี่แหละเป็นการที่เรียกว่า <c oughs> มันไม่หลงแล้ว <c oughs> เพราะว่าเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันธรรมอยู่กับปัจจุบันนี่แหละกำลังทำอะไรอยู่รู้ไหมกำลังซักผ้ารู้ไหมซักผ้านี่ก็เป็นการคู่แขยีงแขยอย่างหนึง่งนะอันนี้เรากลับมารู้ไหมว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่นะพอเรากลับมารู้ว่าในขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่มันก็จึงไม่หลงนะเมื่อมไม่ไม่หลงนี่แหละมันจะเป็นตัวที่เรารู้ขึ้นมาเราก็สะสมตัวที่เรารู้นี่บ่อยๆในสุดความหลงก็ยังลดลดล ด, ลดลงน้อยลง เพราะเราได้สะสมตัวรู้เนี่ยมากขึ้นเพราะในการสะสมตัวรู้มันจะสะสมเป็นขณะขณะไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะช้าไปนะเหมือนกับว่าเอาไม้มาสีให้เกิดไฟนะสีแล้วหยุดสีแล้วหยุดมันก็ไม่เกิดไฟมันต้องสีต่อเนื่องกันมันจะจะเกิดไฟนะเพราะนั่นการเจริญสติก็เหมือนกันเราก็ mind, ต้องมาสีให้ต่อเนื่องนะก็คือให้รู้ให้ต่อเนื่องมันจึงจะเกิดไฟนะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเวลา7วันนะที่เราจะสีให้เกิดไฟขึ้นมาเนี่ยว่าเราตรงเนี่ยเราจะสีได้ไหมนะ ถ้าเราสีได้มันก็กำลังเกิดไฟแน่นอนแต่ถ้าเราไม่สีหรือว่าสีบ้างหยุดบ้างมันก็ไม่เกิดไฟเพราะนั้ น, นจึงต้องรู้ให้ต่อเนื่องนะต่อเนื่องในความที่เป็นปัจจุบันธรรมนี่แหละนะขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่แค่รู้เท่านั้นเองก็ใช้ได้นะอนะก็คือกายเคลื่อนไหวใจรับรู้มันก็รู้อยู่ตรงนั้นก็กลายเป็นปัจจุบันธรรมแล้วนะเมื่อเกิดปัจจุบันธรรมขึ้นมาก็จะเกิดความรู้สึกตัวอนะการรู้ตัวทุกพร้อมก็จะตามมานะ จากการที่อาศัยความรู้ตัวทุกพร้อมนี่แหละมันจะไปรู้เท่าทันความคิดต่างๆได้เองนะความคิดเป็นสิ่งที่ว่ามันเกิดขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วมันก็หายไปเกิดมาแวบหนึ่งแล้วก็หายไปนะตรงนี้เราจะไปสังเกตได้ว่าเออจริงๆเข้ามาแล้วก็ไปนะไม่ใช่ตัวไม่ใชตนของเรานะมันก็จะได้วางความคิดได้เร็วขึ้นนะแต่ถ้าเราเกิดมาแวบหนึ่งแล้วเราไปติดในความคิดนั้นไปช่วยเขาคิดต่ออ่านะคิดถึงบ้านพุ๊ไปช่วยคิดต่อเลยตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่นี่มันก็ไหลไปแล้วนะมันไม่กลับมานะ เพราะฉะนั้นการที่เขามาแล้วเขาไปนี่แหละจึงเป็นประเด็นในการเจริญสติเล่า ว, วิธีการที่จะให้เขามาแล้วหายไปอย่างรวดเร็วทําไรก็คือกลับมารู้สึกตัวนั่นเองนะก็คือไม่ไปให้ค่ากับความคิดความคิดเกิดขึ้นได้ทุกคนนะะ่บางทีเราไปบัดไปแล้วเอ๊ะทำไมมันคิดเยอะกว่าอยู่บ้านอย่างนะไม่เป็นไรนั่นแหละเขาแสดงความคิดเราเห็นแล้วนั่นแหละเราเริ่มมีสติแล้วนะอะแต่เมื่อเขามาแล้วเรากลับมารู้สึกตัวแล้วเขาจะหายไปหรือไม่หายไปเราก็ไม่ให้ค่าในตรงนั้นเท่นั้นเอง นี่แหละคือการไม่ข้าในความคิดแล้วก็กลับมาสู่ความรู้สึกตัวได้ดทุกครั้งเนี่ยมันก็จะเกิดสติต่อเนื่องกันอสามารถอยู่กับความรู้สึกตัวได้ตลอดทั้งวันะตรงนี้เราจะมีความสุขนะอแต่เราไปคิดว่าเออความคิดเราเยอะจังเลยเราปฏิบัติไม่ได้แล้วเราต้องทําให้จิตเขสงบอันนี้ไม่ถูกต้องแล้วนะนะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นนะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้มีความสงบอนะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขอนะ อันนั้นมันเป็นการบังคับเขานะแต่ว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อจะรู้ตามความจริงนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สงบก็ได้นะแต่ว่าเรารู้ตัวได้ไหมนะกลับมารู้ทันขนาดนี้กำลังทำอะไรได้ไหมอันนี้เป็นประเด็นเลยนะอ่ามันจึงต่างกันวิธีการประดวัติวิธีอื่นวิธีการอื่นนี่เขาต้องมีจิตสงบก่อนแต่อันนี้ไม่จําเป็นนะเพราะฉะนั้นอ่าปฏิบัติแล้วเออมันมันไม่สงบก็ได้แต่เรารู้ไหมว่าขณะนี้กำลังไม่สงบขณะนี้กำลังคิดนี่แหละ เพราะว่าเรารู้ตรงนี้ปั๊บจิตมันจะก้าวหน้าเลยนะมันไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความสงบหรือว่าเพื่อความสุขใดๆแต่เป็นปฏิบัติเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงของกายและใจว่ากายและใจนั้นนะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความไม่เที่ยงบังคับบัญชาก็ไม่ได้เท่านั้นเองนะเมื่อเราไปบัตรไปแล้วเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงๆบางวันเราไปบัติแล้วได้ผลดีบางวันก็ไปบัติแล้วไม่ได้ผลดีมีสติบ้างไม่มีสติบ้างนี่คือความจริงที่เขาแสดงออกมาแล้วนะอันนี้ก็เป็นสิ่งเราต้องยอมรับ นะถ้าเรายอมรับเราจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยอมรับเราจะดิน้นรนเกิดการดิ้นรนมากเอ๊ะทำไมเราปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ผลอ่ามันไม่ดีนี่แหละปิตเราจะดิ้นรนแล้วเราก็มีความทุกข์นะอันนั้นแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจนะแต่เราเข้าใจแล้วปฏิบัติไปอะไรเกิดขึ้นก็ได้อ่านหะลงบ้างรู้บ้างก็ไม่เป็นไรข้อนี่คือความจริงที่ปรากฏชัดขึ้นมาแล้วนะเราแค่ยอมรับในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ละขณะเหล่านั้นแล้วก็ไม่ให้ฆ่าในสิ่งเหล่านั้นเราก็จะไม่ทุกข์ ในการปฏิบัติธรรมนะอันนี้นะเราจะเริ่มจะเห็นแล้วว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นของยากเลยนะเพียงแค่เราอยู่กับปัจจุบันนี้ให้ได้เท่านั้นเองอนะ่ความไปอดีตความไปอนาคตก็จะดับไปแต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ อ, อดีตอนาคตก็จะมาปรากฏในใจของเราและนั่นแหละคือความทุกข์นะแต่ปัจจุบันนี้ก็คือความพ้นทุกข์นะอดีตอนาคตก็คือความทุกข์นั่นก็คือการที่เราไปให้ค่าอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมาในใจของเราโดยทั้รู้ไม่เท่าทันนะ การที่เรารู้เท่าทันสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นแหละจะเป็นหนทางที่เราจะออกจากความทุกข์ได้ปัจจุบันทำเป็นหนทางที่ออกจากความทุกข์ได้เพราะอันนั้นก็คืออาการที่เราสามารถที่จะรู้ทันกายและใจนะตามรู้กายและรู้ใจเท่านั้นเองนะกายและใจนี่แหละเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์เมื่อเรารู้กายรู้ใจแล้วต้นเหตุความทุกข์ก็จะน้อยลงแล้วก็จะดับไปนะเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบาลมีคุณพระ ต, ตราย มาน้อมนำให้ทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเถิด